รรมัชชาดกแผ่นที่9าลำดับที่ 5, ด้วโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18พฤษภาคม 2,556 นมีชื่อเรื่องว่าปริศนาธรรมของชายขายฟืนพวกเราได้เข้ามาศึกษาตั้งแต่วันแรก ตั้งแต่วันที่12เมษา56ที่เป็นนากจนอุปสมบทวันที่21เมษา56แล้วก็ในลาศิกขาวันนี้เป็นวันที่18พฤษภา56รวมแล้วเดือนกว่าที่เราเข้ามาศึกษาในขณะที่เข้ามาศึกษาหลวงพ่อก็พยายามยัดเยียด ทำคำสอนในหลักของพระพุทธศ า, าสนาให้พวกเราได้ศึกษาได้ฟังคิดว่าพอสมควร1เดือนกว่าๆท้งแนวทางการทั้งคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทั้งภาคปริยัตปฏิบัติปริยัตคือการศึกษาในพระตไตรปิฎกปฏิบัติกระลงมือปฏิบัติสอนภาคปฏิบัติให้กับพวกเรา ก็คิดว่าสําหรับวัดของเราหรือหลวงพ่อเองก็คิดว่ามองมองดูแล้วก็เพียงพอสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้ามากกว่านี้ก็คงจะเต็มเกินเรียกว่าเบื่อในการได้ยินได้ฟังถ้าว่าเบื่อในการได้ยินได้ฟังมันก็เออเลอร์ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มันเออเลอร์มันไม่เข้า เพราะฉนั้นเราจะยัดเยียดขนาดไหนให้คอมพิวเตอร์ได้คิดหลวงพ่อก็พยายามให้อยู่ในความเหมาะสมในการที่จะให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคือไม่ให้มันเกินไปแล้วก็ไม่ให้ขาดไปถ้าขาดไปพวกเราจะได้รับความรู้หลายๆายเรื่องได้อย่างไรถ้ามันเกินไปก็จนรับไม่ไหว มันแน่นจนเกินไปจนไม่รู้จะจับอะไรเป็นหลักหนึ่งสองสามับสนวุ่นวายไปหมดในจิตใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อที่เป็นเจ้าสำนักก็ต้องคิดกันกลองไตรตรองพอสมควรที่จะให้พวกลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาทั้งหมดนี้หลวงพ่อก็มั่นใจ ในการวางแผนที่จะแนะนําสั่งสอนลูกหลานให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือว่าจะให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังเรื่องศีลธรรมและก็สอนวิธีการวางตัวการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบพวินัยของศีลและธรรมในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อคิดว่าเหมาะสมแต่ว่าสําหรับลูกหลาน ที่เขามาบวชทั้งหมดทั้งหมดทั้ง30เนี่ยที่บวชในวันนั้นนะและเป็นยังไงอันนี้ก่อสุดแท้แต่แต่ละคนนาน า, นาจิตตังนานาทัศนะจะให้เสมอกันเหมือนกันคงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากเพราะว่าพวกเรามีความขีดความสามารถในจิตใจต่างกันถ้าอย่างนั้นเขคงจะเป็นปริญญาเอกด้วยกันทั้งหมดทำไมจึงมีปอสี่ มัธยมปฐมเพราะเหตุใดเนี่ยล่ะขีดความสามารถมันแปลกแตกต่างกัน น, นี่กูเหมือนกันแนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายจะให้เสมอกันทั้งหมดก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากถึงจะให้เหมือนกันแต่ประการรับนั่นแหละมันต่างกันเพราะภาชนะที่รับมันต่างกันเพราะฉะนั้นตรงพ่อเองก็มั่นใจเพราะได้เรียนได้ศึกษา ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในหลักเหล่านี้พอสมควรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจิงยัดเยียดให้ผู้ที่ได้รับมากก็เอารับถ้าผู้ที่ไม่ได้รับหรือหลวงา่อชนะมันเล็กรับไม่ ไ, มได้ก็รับเท่าที่จะรับได้ยัดเยียดให้ที่เท่าที่จะทําให้ได้เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายมาบวชคราวนี้ก็ครบ บริบูณอย่างที่ชมลมที่พวกเราตั้งใจเอาไว้ต่อ น, นี้ไปพวกเราจะตั้งได้ลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปหลวงพ่อจะให้พระไตราสารนคมพร้อมกับศีลก่อนที่จะให้พระไตราสารณคมพร้อมกับศีลจะนำไปประพฤติปฏิบัติในเมื่อเป็นคราวาดก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจบัตรนี้พวกเรา ได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วได้ริมรถหรือว่าได้ปฏิบัติตนอยู่ในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสมบูรณ์ในการบวชในคราวนี้ครั้งนี้ถึงจะมีเวลาน้อยพวกเราก็เป็นบวชเข้ามาด้วยความตั้งใจไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนที่จะทานอาหารมื้อเดียวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดของเราแต่ท่านทานอาหารมื้อเดียว แล้วท่านก็อดอาหารก็มีปาณาบ้างเมื่อตอนบ่ายเท่าที่มเีเราก็ไม่ได้จนเกินเลยถ้า ม, มีอันไหนมาล้าก็ทานก็ฉันตามที่มันมีมันเกิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น อ, อ, อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพระในการอยู่การฉันแต่เพียงแค่นี้พวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะ ลำบากใจพอจงควรเพราะพวกเราทานอาหารแต่ก่อนตามอัธยาศัยตามความต้องการแต่เข้ามาบวชแล้วหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านให้มีกฎเกณฑ์สำหรับการเป็นอยู่การของชีพการดำรงชีพของพวกเราให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นพวกเราก็ได้ปฏิบัติตนถูกต้อง หลวงพ่อมองเห็นแล้วถึงจะขาดตกบกพร่องไปบ้างในกฎกติกาหลวงพ่อก็ยังยอมรับได้อยู่ยังไม่เกินไปแต่ถึงยังไงจะให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยทุกอย่างการเป็นอยู่การพูดการคุยกันอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องการคุยกันพวกเราอยู่ด้วยกันหลายคนเพราะนิสัยคารวะเป็นมาอย่างไรพวกเราก็ยัง ยังติดนิดสัยนันอยู่ไม่ใช่เป็นนิสัยของพระฐานนิสัยของพระที่จะบวชเป็นนักพรตนักบวชแล้วก็จยในความสงบการคุกคลีและการพูดคุยจะไม่เสียงดังระวังเสียงให้มากที่สุดเพราะเสียงเป็นอันตรายต่อสมาธิถ้ามีเสียงขึ้นมาอย่างพวกเราไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าอยู่ในที่สงบถ้าได้ยินเสียงคนเข้ามาสมาธิของเราก็วันไหวละ เขาพูดเรื่องอะไรใครมาอย่างไรถ้าได้ยินเสียงนกไม่เป็นไรถ้าเสียงเสียงคนเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสมาธิอย่างมากเพราะนั้นห่งพ่อจึงไม่ให้พวกเราพูดคุยเสียงดังในที่ต่างๆตลอดถึงการเดินทางจะไปที่ไหนก็ตามอย่าคุยกันเพราะมันเป็นการลบกวนสมาธิผู้ที่เขานั่งสมาธิเขาภาวนาอยู่เรื่องกรรมฐานเสียงนึงใช้น้อยที่สุด ให้อยู่ในความระมัดระวังวัะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านไปแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายคือจุดนี้เป็นจุดที่อ่อนแล้วก็หลวงพ่อเองถ้าว่ามีอีกต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อก็คงจะเน้นหนักในจุดนี้แต่พวกลูกหลานที่เข้ามาศึกษาก็เป็นรุ่นใหม่คงจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างโดยมากจะไม่ฟังในจุดนี้เพราะหลงลืมหลงลืม แต่ขนาดได้ฟังก็เอ่ยใช่มีเหตุผลแต่พอไปเจอหมู่เจอเพื่อนเข้าไปแล้วก็หลงลืมในการการเป็นอยู่ของพวกเราแต่ทั้งนี้ทางนั้นเรื่องทั้งหลายก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ไปก็ขอให้พวกเราออกไปเป็นฆราวตสก็ขอให้มีคราวาสธรรมธรรมของฆราวาสที่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้ทำฆราวาสไว้สี่อย่างสัจจะ พวกเราต้องมีสัจจะการอยู่ด้วยกันถ้าคนไร้สัจจะคนไม่มีสัจจะคนไปคบค้าสมาคมพูดเรื่อยเกยไปเรื่อยถ้าจริงเป็นพ่อค้ า, าหรือว่าทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นพ่อค้าทำมาค้าขายด้วยกันถ้าขาดสัจจะแล้วก็แปลว่าพ่อค้าคนนั้นหมดสภาพทำมาค้าขายด้วยไม่ได้ เพราะขาดสัจจะธรรมะคันติจาคะอันนี้แปลว่าธรรมของกราวาสสัจจะคือความจริงจังและจริงใจต่อกันธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนในขณะที่ใจของเรามั น, ม น, มนเฟื่องฟูไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงราคาโทสะโมหะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งโทสะถ้ามันมีโทสะเกิดขึ้นมา เราต้องข่มเอาไว้ธรรมะให้รู้จักขม่มแล้วก็ขันติให้มีขันติอีกต่างหากาขันติคือความอดทนเราเป็นฆราวาส ต, ต้องอดทนอดทนต่อความหิวอดทนต่อความร้อนความหนาวอดทนทุกอย่างอดทนต่อคนที่ดูด่าว่ากล่าวให้กับเราผู้น้อยกว่าผู้ใหญ่กว่าเราต้องอดทนต่อเสียงเหล่านั้น อดทนต่อการเป็นอยู่คนที่มีความอดทนสูงไปอยู่นสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายค น, คนผู้คนคนนั้นมีนขันติแล้วกระจาคะให้มีการเสียสละไปอยู่นสถานที่ใดอยู่กับใครเราต้องเป็นผู้เสียสละอันดับแรกคือเราต้องเสียสละให้พ่อแม่ของเรานั่นแหละเป็นอันดับแรกถ้าเรามีอันจะกิน เราก็ต้องมองดูพ่อแม่ของเราก่อนแล้วก็จากนั้นภรรยาลูกของเราภรรยาลูกของเรานั้นอันนั้นมันตายตัวอยู่แล้วแต่บางคนบางท่านก็เลี้ยงแต่บุตรภรรยาลืมดูพ่อแม่ของตนเพราะว่าเออมันไม่ได้คิดมีแต่ความรักในภรรยาสามีไม่ได้มองดูถึงผู้มีพระคุณที่เหนือกว่า แต่สิ่งเหล่านี้อยากจะบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในพระพุทธศาสนาให้ล้ำลึกถึงพระคุณของปิดามดารดามีดามารดาเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย อย่างวันนี้แหละเมื่อลาศีขาไปแล้วเมื่อเรากลับไปถึงบ้านแล้วเราควรจะไปกราบตักพ่อแม่ว่าผมได้บวชแล้วนะคุณพ่อคุณแม่บุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมามากน้อยก็ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนสุขภาพร่างกายพลังกายพลังใจของพ่อแม่ให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันละสุขาาะภาละให้หายจากโลคาพยาิ เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เราก็ให้พรให้สิีลให้พรกับคุนพ่อคุณแม่ของพวกเราอันนี้คือหน้าที่ของโลกนี่แหละรรมของคารวาสสี่อย่างสัจจะธรรมะให้ข่มจิตขันติให้มีความขันติคือความอดทนจาคะให้มีการเสียสละอันนี้ก็คือธรรมของคารวาสที่พวกเราจะนําไปใช้จากนั้นก็ให้พวกเรายึดพระไตรสารนคมเป็นหลักคือยึดผู้ดี ยึดผูีก็คือยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังธรรมังสังขังสารานังขจ า, ามิข้าพ เ, เจ้าขอยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งถ้าเรายึดผู้ดีเอาผู้ดีเป็นตัวอย่างของเราแล้วพวกเราไปอยู่นักสถานที่ใดเราจะทําสิ่งไหนหคนดีเขาไม่ทำหน้าอย่างนี้มองคนดีเอาไว้ จากนั้นเราก็จะพยายามเป็นคนดีไปเรื่อยๆอย่ดีน้อยต่อไปก็ดีใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ่ความดีเนี่ยห่าก็ดี2กวกาดี3าว่าดีมีอยู่แล้วความดีอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเพราะนั้นควรประกอบแต่คุณงามความดีความชั่วก็เช่นเดียวกั น, นความชั่ว1กว่ากดี2ก็ดี3าว่าดีมีอยู่แล้ว ความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นถ้ามันมีอยู่แล้วก็จะเรินมากขึ้นเพราะเหตุไยเพราะเราประกอบความชั่วไปทางชั่วเพราะนั้นควรละเสีย อ, อย่าไปทำควรละเสียมองเห็นแล้วไม่เกิดประโยชน์ควรจะละสิ่งที่ความชั่วความชั่วด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจควรจะละนี่แหละ อันนี้คือเรายึดคนดียืยึยดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแบบอย่างจากนั้นก็พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรสอนอะไรสำหรับฆรวาสสอนให้มีทานมีศีลมีภาวนาสรุปแล้วก็คือพวกเราออกไปเป็นกราวาสเมื่อสะสะแสวงหาทรัพย์ไตรแล้วต้องแบ่งเป็นส่วนๆต้องบังแบ่งปันเป็นส่วนๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน สวยพระชาติในอดีตชาติท่านบอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นทุกขตะเราเป็นคนจนแต่เราก็ขยันในการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพในสำ ม, มาชีพเร า, เาไปหาฟืนมาขายเราหาฟืนมาขายในตลาดในเมืองแต่ขนาดใส่เกวียนแล้วยังแบกใส่ใาเพราะมันล้นเกวียน จากนั้นทุกตะคนนั้นทั้งที่จะมีความโศกเศร้าทุกข์ใจในการเป็นอยู่กับร้องราทำเพลงในขณะที่ขับเวียนเอาฟืนเข้ามาขายในเมืองร้ อ, องทำงเพียงไม่ทุกข์ไม่จนสู้ในชะตากรรมหรือในชะตาชีวิตของตนเองเพราะเราเกิดมาเป็นคนจนเราจะไปทุกข์ยากลำบากอะไรต้องสู้ชีวิตต้องสู้อันนี้คือทุกตะท่าน ไม่มีความทุกข์ในใจในขณะที่ท่านเป็นคนขับลาอขับเกวียนเอาฟืนเข้ามาขายในตัวเมืองตอนนี้พระราชาเสด็จรอบพระนคร เ, เห็นเห็นเข้าหลายครั้งเอ๊ะทำไม่ไอน้นี่แหะทุกตะไอ้ขายฟืนคนนี้พอค้าขายฟืนคนนี้ดูเป็นคนจนนะเพราะว่าในประเทศเหล่านั้นเขาแยก เป็นวันนะสี่กษัตริย์พรามแพทย์สูตรเนี่คือคนวันนะต่ำคือว่าสูตรอันนี้พ่อค้าขายฟืนก็คงจะเป็นวันนะสูตนี่เขาดูให้เข้าว่าเป็นวันนะต่ำแต่ใจของเขาเนี่ยเลื่อนเลงบันเทิงไม่ได้ เ, เสีย อ, อกเสียใจชีวิตต้องสู้ฮะพระจะต้องทำการทำงานสู้หาเงินพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นแลวเออ ทำไมคนคนนี้เขาจึงมีความร่าเริงมีความสุขอย่างนี้ไปเรียกเขามาถามหน่อสิเขาขายฟืนแล้วเขาเขาได้เงินเท่าไหร่เพราะพระเจ้าแผ่นดินกับเศรษฐกิจท่านก็อยากจะรู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีอย่างที่อย่างรัฐบาลของพวกเราทุกวันนี้นะเศรษฐกิจเป็นยังไงการของชีพของพี่นอ้องประชาชนเป็นยังไงแต่ละหมู่แต่ละเราอันนี้พระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นท่านก็อยากจะทราบอย่าง เหมือนกันนะเพราะท่านเป็นฝ่ายปกครองท่านก็เรียกทุกตะเข้ามาถามว่าทุกตะเป็นไงการขายฟืนของแก่ทุกตะก็บอกว่าโอ้ขายได้ดีอยู่ครับพระเจ้าคชนขายได้ดีอยู่แล้วแต่แก่ได้เงินมาแล้วแต่แก่ทํำยังไงทุกตะก็ชี้แจงให้ฟังคงจะเป็นนักปฏิพานพอสมควรน ะ, ะแล้วก็ ออกมาจากจิตใจด้วยนักปฏิพัน์ด้วยไหวพริบดีด้วยเราออกมาจากจิตใจด้วยก็ผมแบ่งเป็นส่วนๆพระเจ้าค่ะเอาแบ่งไปยังไงแบ่งส่วนๆส่วนหนึ่งที่ได้มาที่ขายฟื้นได้มาก็ใ ห, ให้งูเหา่างูจงอางแบ่งให้งูกินอันที่สองก็ไปเทงลงน้ำ มหาสมุทรทะเลอันที่สมกมไปฝังดินเอาไว้อันที่สก็บูชาเทวดาเอพระเจ้าไปดิงก็สงสัยอีกดินทำไมพูดเป็นปริศนาอย่างนี้เราอยากจะถามเธอทุกตะเธอทำอะไรทำไมแบ่งให้งูเหา่างูจงอางกินอีกแล้วทำไมจึง เอาไปลงทิ้งลงน้ำทะเลเอาไปทำไมจึงเอาไปาฝังดีเอาไว้ทำไมจึงเอาไปบูชาเทวดาทำไมที่เงินได้มาทำไมแบ่งเป็นหลายส่วนถึงขนาดนั้นที่แจ้งให้เราฟังซิทกตะบอกว่าที่ผมให้งูเห่างจูจงอางเปรียบเทียบก็เหมือนลูกของผมเมียของผมนะงูเห่างจูจงอางถ้าผมไม่ให้เขามันจะตกมันจะต้องฉกมันจะต้องกัด มันจะต้องทำให้ผมเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นผมจะต้องแบ่งให้เขาพ่อแบ่งให้เขาใด้เขาได้รับเงินแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งแล้วก็ไม่มีอะไรร่มเย็นเป็นจุกอยู่ด้วยกันทิ้งลงน้ามหาสมุทรทะเลนะทิ้งลงมหาสมุทรทะเลคือผมกินเองใช้เองกินเองถมไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไหลออกไปกินวันนี้ก็ยังวันหน้ากินวันหน้าก็ยังวันต่อไป การใช้ใจของผมเรื่องทรัพย์สมบัติไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนขยโยนโลงน้ำมหาสมุทรทะเลเออแล้วฝังดินล่ะออฝังดินก็คือเราเก็บไว้ใช้ออส่วนหนึ่งให้เกิดประโยชน์ใกล้ๆแบบเก็บใส่คลังเก็บใส่คลังเก็บใส่อันไหนเอาไว้แล้วบูชาเทวดาล่ะออบูชาเทวดาผมทำบุญทำทาน สร้างบุญสร้างกุศลต่อไปในอนาคตบูชาเทวดาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพราะผมเกิดมาแล้วเกิดมาพบในชาตินี้มันทกนุกข์จดเพราะฉะนั้นผมจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทํากุศลเอาไว้เพื่ออนาคตจะได้จะได้กินนี่แหละฝังดินเอาไว้ก็เพื่อดํารงชีพ เป็นทุนในการเป็นอยู่เทวดาบูชาเพื่อพวกเราจะได้ฝังไว้ทำบุญเอาไว้เพื่อจะได้ใช้ต่อไปในอนาคตนี่แหละสรุปแล้วก็คือคนโบราณเขาจะพูดเป็นคำขึ้นมาเพื่อให้เป็นการศึกษาเป็นชาดกจะได้รู้ว่าการได้ทรัพย์มานั้นควรจะแบ่งอย่างไรจึงจะถูกต้อง ไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไรใช้ดูช่ยแฉกไม่มีการเก็บไม่มีการดูแรลรักษาจะเลยมันก็ไม่ถูกเก็บไว้ทั้งหมดก็ไม่ถูกสรุปแล้วก็คือให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ในเมื่อเราเป็นคราวาดต่อไปภายภาคหน้าชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าตัวของเราเองถ้าว่าพวกเราไม่รับผิดชอบในการเป็นอยู่ของเรา ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบให้เราสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไปเป็นคราวาดก็ควรจะดำรงชีพด้วยสัมมาชีพอย่าทาเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมิจฉาชีพก็คืออะไรขายยาบายาบ า, ย า, บายามาคันชายาฝิ่นให้คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นไม่ควรทำโดยเด็ดขาดเพราะทำเข้าไปแล้วถ้ามาเจอเราล่ะถ้าเราเป็นติดยาบา้ายามาล่ะ พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานของเราติดยาบ้ายาม마ที่อยู่ใกล้เราละ่ะเราเป็นยังไงเรามีความรู้สึกยังไงดีใจไหมหรือเสียใจถ้าเสียใจคนอื่นเขาละ่ะที่เราขายไปให้เขาเขาคงจะเสียใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าทําสิ่งที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนตนเดือดร้อนเพราะเราได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วได้ศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราควรจะเคส ดูให้ดีให้รอบครอบนิสัมมะกระนังเซยโยไข้ ค, ควรจะก่อนค่อยทำอะไรลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ตนและคนอื่นเดือดร้อนอันนี้แหละคือทมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็คือนี่แหละคารวัตรธรรมด้วยทานการเสียสละศีลคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลศีลห้าปานาข้าพระเจ้าจะไม่คิดฆ่าใครทั้งหมด ในเมื่อฆ่าเขาเขาก็เดือดร้อนพ่อแม่ลูกสามีภรรยาของเขาเดือดร้อนทุกไปหมดเพราะเขาถูกฆ่าที่คนที่รักของเขาถูกฆ่าถ้าเขามาฆ่าเราเราพี่น้องเพื่อนฝูงสามีภรรยาลูกหลานของเรากระทุกใจอีกเหมือนกันเพราะเราถูกทำร้ายทำลายกลุ่มของเราถูกทำร้ายทำลายทุกใหญ่ อันนี้แหะคือพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าถูกกับใครไม่ดีทั้งนั้นเพราะนั้นงดไม่ควรจะฆ่ากันอธินนาธานก็เหมือนกันอย่าไปขโมยสิ่งของของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปขโมยเขาเขาก็เสียใจยขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาไปเรียกค่าไถเขาก็เสียใจยถ้าเขามาขโมยของเราล่ะเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันกับเขาไม่แพ้กันเพราะนั้นเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกัน อั น, นสามีภรรยาก็เหมือนกันกาเมสุมิตสาจาราวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสังวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำอธิปไตยของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมีพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานของเราตระกูลของเรามีผู้หญิงผู้ชายนให้เคารพสิทธิ์ ของเขาเคารพสิทธิ์ของเราอันนี้ก็คือสิลข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมะเนีย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเนีอย่าไปโกหกเขาเอาของปลอมไปบอกว่าของดีเอาแบงปลอมไปบอกว่าแบงดีเอาเช็คปลอมไปบอกว่าเช็คดีเช็คไม่แดง สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นล้วนแล้วแต่โกหกทั้งนั้นถ้าโกหกโกหกไม่ใช่ธรรมดานะอมันทําให้เสียหายอย่างมากเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเป็นพระบาลีว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้จากนั้นข้อที่หสุราเมระยะมัชฌะปะมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราคือเหล้าเมลัยเบียร์ตามตามพวินัยนะตามศิลสุราเมระยะมัชชะประมาณดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะคนดื่มสุราเ้าไปแล้วสมองปั่นป่วนสมองผิดปกติทำให้คนขาดสติสรุปแล้วคือทำให้คนขาดสติ คนที่ขาดสติแล้วทำความชั่วทำความเสียหายได้ทุกอย่างพูดก็ไม่อยู่กับที่ทำก็ไม่อยู่กับที่เพราะสมองมันปั่นป่วนสมองมันขาดสติอย่างพันนะั้นขอให้พวกเราผู้ที่จะไปดำรงทรงนะเป็นคราวาสในคราวนี้ก็ขอให้ลูกหลานทั้งหลายที่มาบวชในคราวนี้ให้สำนึกในจิตใจไว้ลึกๆให้ยึดคนดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึด คารวะธรรมที่หลวงพ่อได้พูดเอาไว้ให้บอกกล่าวเอาไว้นี่แหละแล้วก็ให้ยึดพระไตรสรณคมจากนั้นก็ให้มีทานมีการเสียสะละแล้วก็ให้มีศีลํำรวมกายวาจาใ ห, ให้เรียบร้อยให้มีศีลห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเน้นหลายครั้งให้กับพวกเราท่านทั้งหลายคือข้อที่ห ให้ระวังให้ระวังอย่างหนักในจุดนี้ถ้าผู้ใดก็ตามที่เข้ามาบวชในวัดของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะบอกสินห้านะข้อที่ห้านะลูกหลานนะให้ระวังนะชาลูกหลานจะดำรงทรงตัวเป็นครวาสที่ดีแล้วข้อข้อที่ห้าต้องระวังอย่างหนักอย่าแตะเสลยดีกว่าเพราะเมื่อแตะเข้าไปแล้วขาดสติคนขาดสติแล้วทำความชั่วด้ทุกอย่าง เพราะว่าคนขาดสติไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วทําความชั่วในทุกอย่างเพราะนั้นอย่าไปถือข้อที่หจา ย, ย่าไปวิศาสะอย่าไปให้ความในสำคัญบอกว่านี่คืออริคือศัตรูของเราเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วทาให้เสียหายนี่แหละขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะให้ฟังเอาไว้จากนั้นเรื่องสมาธิก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มาฝึกทุกวัน เดือนกว่าฝึกยังไงฝึกสมาธิอเล็กรรมยังไงภาวานายังไงถ้าลูกหลานใฝ่ในการศึกษาอยากจะเป็นคนดีพูดง่ายๆถ้าลูกหลานอยากจะเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีลูกหลานควรปฏิบัติตนอย่างที่ได้ศึกษามาเนี่ยนะเป็นคนดีนตลอดไปจนตลอดอวสานของชีวิตนะถึงเฒ่าแก่ชราไปพวกเราก็ยังคิดลำลึกถึง ว่าเราได้ทำความดีมาตลอดตั้งแต่เราบวชจนถึงบัดนี้เราจะภาคภูมิใจไปนานเท่านานดังนั้นขอให้ลวกเราทุกทุกท่านนะออกไปเป็นฆราวาสก็ให้อยู่ในครอทธรรมให้เป็นผู้เสียสละให้เป็นคนดีพูดง่ายๆให้รับผิดชอบในหน้าที่การงานรับผิดชอบในการเป็นอยู่รับผิดชอบมองรอบด้านรอบข้างของเราอย่าไปทาให้คนอื่นหนักใจ เรามาขนาดนี้แล้วอย่าให้คนอื่นหนักใจอย่าให้พ่อแม่หนักใจกับเราอย่าให้พี่น้องหนักใจกับเราอย่าให้สามีภรรยาลูกหนักใจกับเร า, าเราได้รับการศึกษาได้บวชได้ศึกษาในลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีข้าพเจ้าจะไม่ทำกรรมชั่วชา้าลามกต่างๆ พอหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อได้ยกให้ฟังว่าอากตังลุกกตังเสโ ย, ยปัชตชาตปฏิทุกกตังกรรมชั่วอย่าทำเส้เลยดีกว่าเพราะทํากรรมชัน่นนั่นกรรมชั่นนั่นจะตามให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้เพราะนั้นพวกเราได้ฟังได้ศึกษาในครั้งนี้แล้วพวกเราลูกหลานทั้งหลายคน คนจะตั้งตนเป็นปคนดีตลอดไปนะถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะประพรมน้ำพระพุทธมนต์นนะทีนี้นะประนมมือนะก้มหัวลงสักหน่อยเดี๋ยวน้ำจะเข้าตา